สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องงานศพญาเพื่อนที่ต่างจังหวัดเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วตอนช่วงประมาณสามทุ่มขณะที่ผมกำลังลงลิฟต์อยู่ก็มีสายเข้ามือถือผมผมก็รับสายตามปกติเสียงในสายพูดกับผมแบบขาดขาดหายหาย แล้วก็ไม่แสดงเบอร์โทรเข้าผมก็คิดว่าเป็นเพราะกำลังลงลิฟต์สัญญาณอาจจะไม่ดีแต่จับใจความว่าเป็นเพื่อนผมคนนึงตั้งแต่สมัยเรียนประถมโทรมาสวัสดีครับนัดเปล่าใช่นัดไหมใช่ครับใครครับเนี่ยเราโดมเองยังจำเราได้ไหมอ๋ออ๋อเออจำได้ว่าไงเพื่อน เสียงแปลกๆเป็นอะไรหรือเปล่าคือย่าเราเสียว่างๆก็มานะอ๋อเออเอเสียใจด้วยเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะไปเสาร์นี้แล้วกันแล้วสายก็ตัดไปพอวันเสาร์ผมก็ออกเดินทางไปบ้านของโดมซึ่งอยู่จังหวัดกาญจน บ, บรุรีแต่กว่าผมจะทำธุระเสร็จกว่าจะเดินทางไปถึงก็ประมาณสองทุ่มแล้ว พอไปถึงบ้านของโดมผมก็เจอกับพ่อของโดมผมก็เท้าขวาไม่ทันฟังแล้วก็ถามหาโดมเพื่อนของผมพ่อของโดมบอกว่าโดมอยู่ที่วัดซึ่งวัดห่างจากบ้าน30บกว่ากิโลไว้พรุ่งนี้เช้าจะพาไปคืนนี้นอนกันที่บ้านก่อนผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็คลับคลับไปตามภาษาบ้านของโดม เป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆหลังไม่ใหญ่มากพอเข้าไปในบ้านสิ่งแรกที่เห็นคือโลงครับโลงศพยาของโดมตั้งอยู่ชั้นล่างของบ้านพ่อเอาของกินมาให้ผมแล้วก็บอกกับผมว่ามาเหนื่อยๆไปอาบน้าก่อนก็ได้เดี๋ยวจะได้มานอนพักผ่อนผมมองไปรอบๆเห็นแม่ของโดม นั่งหน้าเศรา้าหันหน้ามาทางผมผมก็ยกมือไหว้แม่ดมก็ไปยักหน้ารับผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพ่อมาถามผมว่าจะนอนตรงไหนจะได้เอาที่นอนให้พอดีผมเห็นชั้นล่างมีเตียงไม้ไผ่อยู่ผมก็เลยบอกไปว่าพ่อครับเดี๋ยวผมนอนตรงนี้ก็ได้ พ่อถามผมว่านอนได้นะไม่กลัวนะผมก็อ๋อได้ครับสบายมากแต่ในใจก็เสียวๆอยู่ต่างจังหวัดนอนกันเร็วครับสี่ทุ่มนี้ก็เงียบกันหมดแล้วด้วยที่ผมทำงานมาเหนื่อยบวกกับการเดินทางมาจากกรุงเทพมาเมืองการมันทำให้ผมรู้สึกเหนื่อยและเผลอหลับไปนัดนัด เสียงเรียกเบาๆใกล้ๆหูผมตอนกลางดึกทำให้ผมค่อยๆลืมตาแล้วลุกขึ้นมาดูรอบๆตัวผมว่ามีใครมาเรียกแต่ก็ไม่เห็นใครพอดูแล้วไม่มีใครผมคิดว่าตัวเองคงฝันหรือหูแว่วไปก็เลยนอนต่อดีกว่าอากาศยิ่งหนาวๆอยู่ฝนข้างนอกก็ตกแต่จังหวะที่ผมกำลังจะเอนตัวลงนอนหางตาผม เหลือไปเห็นที่โลงหญ้าของโดมฝาโลงครับค่อยๆแย้มออกด้านบนทันใดนั้นสิ่งที่ผมไม่อยากเชื่อตาตัวเองเลยว่าผมจะเห็นก็คือมือครับมือจริงๆยื่นออกมาจากในโลงไม่หยิบไข่ต้มในถ้วยที่วางไว้ข้างโลงเอาแล้วในใจคิดว่าเจอแล้วผมชาเลยครับเหมือนตัวเองขยับไม่ได้ แล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงมาพูดใกล้หูผมนอนเถอะดึกแล้วแล้วก็เหมือนโลกมันมืดไปผมสลบไปเลยครับมาสะดุ้งตือนอีกทีก็เช้าแล้วพ่อของโดมมาเรียกวันนี้จะ ย, า ย, ย้ายศพญาติของโดม ไ, ไว้ที่วัดเหย็ดญาติก็ช่วยกันเอาโลงญาติของโดมขึ้นรถหกล้อไปที่วัดพอมาถึงที่วัดพ่อของโดม ก็มาถามผมว่าจะไปหาโดมไหมผมก็ตอบว่าไปสิครับพ่อแล้วพ่อก็ถามผมว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมผมก็ได้แต่พยักหน้าพ่อของโดมพาผมเดินอ้อมสาราไม้เก่าๆวัดนี้เป็นวัดป่าครับไม่ค่อยเจริญพอถึงสาราไม้เก่าๆอีกหลังพ่อบอกกับผมว่า นี่ไงโดมสิ่งที่ผมเห็นคือโลงครับแล้วก็รูปเพื่อนที่ชื่อโดมตั้งอยู่ข้างหน้าผมพูดไม่ออกเลยครับรู้สึกว่าความกลัวมันเริ่มเข้ามาในหัวสมองผมพ่อของโดมบอกกับผมว่าโดมขีม่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับท้ายรถสิบล้อตายได้สามวันแล้วผมนี่ยิ่งอึ้งเข้าไปเลยย่ารู้ เขาก็ตรอมใจตาย ต, า, ยตามไปด้วยผมเลยถามพ่อของโดมว่าแล้วแม่ล่ะครับไม่เห็นท่านมาด้วยพ่อของโดมบอกกับผมว่าแม่โดมเสียไปตั้งแต่ต้นปีแล้วตอนนี้ทังบ้านก็เหลือพ่อคนเดียวนี่แหละยังไม่รู้จะได้ตามพวกเขาไปวันไหนเลยผมอึ้งเลยครับทําอะไรไม่ถูกพอช่วงบ่าย ผมรู้สึกว่าตัวผมเองเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยลาพ่อของโดมกลับกรุงเทพกลับมาถึงหาบน้ำเสร็จสลบเลยครับใครกินเพิ่งจะฟื้นนี่แหละและเรื่องราวของผมก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ